สมัยพุทธกาลมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากนะแต่ว่าอยู่แบบอตอนหนีทีเหนียวข้าวก็กินแบบจํากัดจําเกียร์กินข้าวปลายหัก เสื้อผ้านี่ก็ปูกป่าแล้วปลูป่าอีกนะแล้วก็ไม่ค่อยจะเผื่อแผ่บริจาคให้ทานหรือว่าช่วยใช้เงินนั้นเพื่อการเลี้ยงดูลูกหลานให้มีความสุขพอตาย ก็ไม่มีทายาทนะทรัพย์สมบัติทั้งหลายก็ตกเป็นของหลวงนะสมัยก่อนเนี่ยมันมีธรรมเนียมแบบนี้นะว่าถ้ามีทรัพย์สมบัติมากมายแล้วไม่มีผู้รับมรดกพอเจ้าของทรัพย์นั้นตายไปนะ สมบัติก็ตกเป็นของหลวงไปอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะที่พ่อแม่ของพระสุทินเนี่ยมาขอร้องให้พระสุทินเนี่ยศึกเพราะว่าถ้าไม่ศึกแล้วก็จะไม่มีคนรับมรดกนะพอพระสุทินก็มาบวช ตั้งแต่ยังหนุ่มทายาิก็ไม่มีพ่อแม่ก็เลยบอกนีให้พระสุทินศึกมามีมาแต่งงานพระสุทินก็ไม่ยอมเพราะว่าตั้งใจบวชอย่างมากกว่าจะบวชได้นี่ก็ต้องอดอาหารนะประท้วงพ่อแม่นะจนกระทั่งพ่อแม่ยอมให้บวช อันนี้พอพระสุธินไม่ศึกแล้วายัางไงแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ศึกแล้วเกิดแม่ตายไปพ่อตายสมบัติก็ต้องตกเป็นของหลวงถ้าพระสุธินไม่ศึกก็หาทายาทให้แม่ก็แล้วกันพระสุธินก็หูอยากจะอยู่ในพระเหลืองนานๆก็เลยยอมไม่ศึกก็ไม่ศึกนะไม่ศึกก็ได้แม่บอกแต่ว่าให้หาทายาทมาให้แม่ พระสุทิงก็เลยยอมยอมเสพกามนะก็เพราะว่าตั้งใจนะที่จะรักษาชีวิตพระเอาไว้แต่ประกอว่าการเสพกามนั่นก็ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่ามันมันผิดสมัยนั้นยังไม่มี การกําหนดเป็นสี่ขาบทว่าการเสพเมทุนเป็นปลาราชิกนะแต่ว่าก็เป็นที่รู้กันว่านักบวชนี่ก็จะต้องะ เ, อเว้นจากการเสพเมทุนพอเรื่องนี้ไปทราบถึงพระ เ, เจ้านะพระเจ้าก็เลยตําหนิต่อว่าแล้วก็เลยเป็นที่มาของปฐมปลาราชิกนะ เป็นที่มาของการบัญญัติสิกขาบทข้อแรกว่าการเซตไม่ถุนเป็นปาราชิกนะสำหรับภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าทำไปด้วยที่เราเป็นความผิดพลาดโดยสุดจริตก็ได้นะของพระสุธินก็คืออยากจะอยู่ในผ้าเหลืองแต่ว่าทนการลบรล้าของพ่อแม่ไม่ได้ ก็พบกันครึ่งทางกนะ็คือเป็นยังอยู่ยังเป็นพระอยู่แต่ว่าผลิตลูกให้แม่ผลิตหลานให้พ่อแม่จะได้เป็นผู้รับมรดกหาไม่หลวงก็ต้องยึดทรัพย์ไปนะด้วยความเสียดายอันนี้ก็เป็นความไม่รู้นะของพระสุธินแต่ว่า แม้จะเป็นความผิดพลาดโดยสุดจริตนะแต่ว่าก็เป็นเหตุการณ์สำคัญนะที่ต้องจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์นะเพราะเป็นที่มาของปฐม ป, ปาราชิกแต่ก็น่าสนใจตรงที่ว่าทั้งเมียของพระสุทินนะและลูกเนี่ยภายหลังทั้งสองคนก็ได้เป็นพระอระหันต์นะ เป็นพระอรหันต์เมียก็เป็นภิกษุณีมาบวชเป็นภิกษุณีก็ได้เป็นพระอรหันต์ลูกก็มาบวชก็เป็นพระอรหันต์ในแง่นี้ก็เรียกว่าพระสุทินก็ได้ทําคุณประโยชน์นในความผิดพลาดของพระสุทินโดยความไม่รู้นี่ก็มีประโยชน์ต่อศาสนาทําให้มีพระอรหันต์เกิดขึ้นสองคนอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังัแต่ประเด็นที่จะพูดในเช้านนี้ก็ไม่เกี่ยวกับ เรื่องพระสุทินโดยตรงกันนะเพียงยกตัวอย่างว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยมันมีธรรมเนียมนะว่าถ้ามีทรัพย์แล้วตายเนี่ยไม่มีทายาททรัพย์นั้นก็ตกเป็นของหลวงเสด็จที่คนนี้ก็เป็นกันนะพอตายทรัพย์สมบัติก็ถูกยึดเป็นของหลวงก็เป็นข่าวนะข่าวใหญ่ใน เมืองสาวัตถีพระพุทธเจ้าเมื่อได้ทราบข่าวนี้ก็ได้พูดถึงเศรษฐีคนนี้ว่าเป็นโมฆะบุรุษนะเป็นคนเป็นคนโง่นะเพราะว่าไม่รู้จักใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เมื่อมีทรัพย์แล้วเนี่ยก็ต้องใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์เช่นเลี้ยงตัวให้มีความสุขไม่ใช่อยู่อย่างอดอยาก เลี้ยงตัวให้มีความสุขแล้วไม่พอก็ต้องเลี้ยงลูกหลานให้มีความสุขด้วยแล้วก็รู้จักเอาทรัพย์นั้นมาเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นให้เกิดประโยชน์เช่นเลี้ยงสมณะชีพรามบำรุงสมณชีพราหมณ์หรือว่าช่วยเหลือส่วนรวมนะอันนี้จึงจะเรียกว่าเป็นการใช้ทรัพย์อย่างผู้มีปัญญานะมีแล้วไม่ใช้มีแล้วอดออมแบบ กระเบืกระเียณเนี่ยอดออมดีๆนะแต่ว่าพอถ้าถึงขั้นตันตีทีเนียวนี่ถือว่าเป็นคนที่ไม่ฉลาดในการใช้ทรัพย์นะก็จะว่าเป็นคนโง่อย่างหนึง่งพระศาสนาที่นะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องการมีอทรัพย์สินเงินทองมากมายนะทรัพย์สินเงินทองมีมากมายก็ดีมีแต่มีแล้วก็ต้องใช้ให้ ให้เกิดความสุขความสุขจากการใช้ทรัพย์ก็เป็นสิ่งที่ผู้เจ้านะาสนับสนุนนะมีทรัพย์เราก็ต้องใช้ให้มีความสุขนะแต่ก็ต้องระวังนะว่าอย่าไปยึดติดในทรัพย์นั้นนะนถ้ายึดติดในทรัพย์เนี่ยอันนี้เป็นอันตรายล่ะเพราะว่า ทรัพย์มันก็จะกลายเป็นตัวขัดขวางความเจริญงอกงามในชีวิตมันมีธรรมะมวดหนึ่งนะพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องของการมีอายุยืนยาวเรื่องอายุวัฒนะธรรมอายุวัฒนะนะแล้วก็ธรรมะเกี่ยวกับอายุวัฒนะนะก็มีสองในห้าข้อคือว่าเนี่ยให้รู้จักทาตนให้มีความสุขสบายนะ พุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทรมานตนหรือว่าทำตนให้ลำบากนะต้องรู้จักทำตนให้สบายมันจะช่วยทำให้มีอายุยืนยาวแต่ต้องมีข้อที่สองกำกับนะคือว่าให้รู้จักประมาณในความสบายคือถ้าสบายมากเกินไปก็ไม่ดีพนระพุทธเจ้าพูดมาสอ0มาถงายปีแล้วเนี่ย มันก็ยังใช้ได้ทุกวันนี้นะเพราะทุกวันนี้เนี่ยที่คนอายุสั้นตายเร็วเนี่ยก็เพราะว่ามันสบายมากไปนะเอาแต่กินกินเสร็จก็นั่งนั่งนอนๆอนนะงานการก็นักงานการก็นั่งนะไม่ได้ออกไปไล่นาหรือว่าใช้แรงเหมือนสมัยก่อนทั้งวันนี้ไม่ค่อยได้ออกกําลังกาย นั่งอยู่หน้าจอจะเป็นจอโทรทัศน์จอคอมพิวเตอร์หรือจอโทรศัพท์ก็แล้วแตเ่เสร็จแล้วเป็นยังไงก็เกิดโรคอ้วนไนะขมันในเส้นเลือดเพียบทําให้เป็นโรคหัวใจบางโรคหลอดเลือดสมองพอหัวใจพอเส้นเลือดอุดตันก็หัวใจวายบ้างหรือว่าเป็นอัมาพาตอมาัมพฤกษ์บ้างนะมะเร็งก็เหมือนกันน อันนี้เรียกว่าตายเร็วเพราะสบายมากไปไม่รู้จักประมาณในความสบายนะนสบายแล้วก็ต้องออกกำลังกายนะต้องอทำโน่นทำนี่แล้วก็ต้องไปไม่ให้บริโภคมากมายเกินไป เรื่องซับก็เหมือนกันนะซับนี่มีประโยชน์นะแต่ว่าก็อย่าไปอย่าไปติดในทรัพยบนะต้องถือว่าซัพย์นี่เป็นเพียงแค่อุปกรณ์ที่จะช่วยทําให้เกิดความสุขแล้วก็ใช้ซัพย์นั้นเพื่อทําให้ผู้มีความสุขสุขแล้วยังไม่พอนะสุขก็ต้องเอาความสุขนั้นมาใช้ในการพัฒนาจิตให้เจริญงอกงาม เช่นการทำสมาธิสุขในพุทธศาสนาเนี่ยโดยพระสุขจากการใช้ทรัพย์เนี่ยนะมันเพื่อเอาจะได้ ม, มีเรี่ยวแรงนะมีสิ่งอํานวยให้ไปทําประโยชน์จะเป็นประโยชน์ตนก็ดีประโยชน์ท่านก็ดีถ้าสุขแล้วนั่งเฉยๆนี่อันนี้เรียกว่าอันตรายนะสุขนั้ง น, นี่ย รวมทั้งสุขที่เกิดจากทรัพย์เนี่ยก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะมันไม่ใช่จุดหมายสูงสุดแต่เป็นแค่ปัจจัยที่จะนำไปสู่ธรรมะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงจุดหนึ่งที่ต้องเลือกระหว่างทรัพย์กับธรรมะเนี่ยผู้มีปัญญาหรือบัณฑิตเนี่ยหรือชาวพุทธก็จะเลือกธรรมะถ้าต้องเลือกนะระหว่างทรัพย์กับธรรมะเนี่ยก็จะเลือกธรรมะนะ แม่จะต้องเสียทรัพย์ไปก็ไม่อะไรในสาพุทธการก็มีเศรษฐินีคนหนึ่งนะชื่อนางกาติยานีอรวยมากวันหนึ่งได้ข่าวว่ามีพระอาหารหันต์ท่านหนึ่งนะชื่อพระโสนะกลับมาเยี่ยมบ้านมาเยี่ยมโยมแม่โยมแม่ก็เลยจัดให้มีการสแสดงธรรมในตอนค่าคืน นางกิตกาติยานีก็ก็ไปฟังธรรมพระสนนาก็แสดงธรรมนะอย่างไพเราะแล้วก็อย่างลึกซึ้งก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวนะจนดึกมันก็มีโจรอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยรู้ว่าชาวบ้านจะไปฟังธรรมก็เลยชชวยโอกาสเนี่ยนะไปขึ้นบ้าน นางกาติยานีในขณะที่นางเกกาติยานีไปฟังธรรมโจนนี่ก็มีหลายคนนะตามเรื่องก็ว่าเป็นร้อยเลยแหละไปขึ้นบ้านแล้วก็ลักทรัพย์เอาขนทรัพย์สมบัติไปส่วนหัวหน้าโจนี่ก็คอยดักคอยเฝ้านางกาติยานีาไว้อยู่ข้างนอกสาลาเพื่อว่าจะเกิดนางกาติยานีเนี่ยเกิด ไหวตัวหรือว่าเกิดรู้ข่าวแล้วก็จะมารักษาปกป้องทรัพย์หัวหน้าตวนก็จะจัดการฆ่าเสียเลยนะเพื่อให้แผนกลางตัวสําสำเร็จในหลังที่มีการขนทรัพย์เนี่ยนะคนใช้หรือนางทาสีเนี่ยก็รู้ข่าวนะอยู่ในเหตุการณ์ก็คงไม่กล้าไปขัดขวางโดยตรงพระว่าจน์เยอะก็เลยหนีไปแอบไปบอกนางกาติยานี ระหว่างที่กำลังฟังธรรมอยู่ว่ามีโจรมาลักทรัพย์แนละ้วนางเกยกาตี น, นี้ได้ยินนะก็ไม่สนใจนะบอกว่าอย่ามารบกวนฉันนะฉันกำลังฟังธรรมนะโจรมันจะขนก็ขนไปนะนะเพราะว่าการฟังธรรมนี่มันเป็นโอกาสสำคัญมากนางกาตี น, นี้ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ ห่วงซับนะก็มีความห่วงใยซับนะแต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยนะการฟังธรรมเป็นโอกาสที่ฟังได้ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอฟังธรรมก่อนส่วนซั์นี่มันจะจะหายไปยังไงก็ก็ช่างมันนะจึงปรามนะปรามนางทาสีว่าอย่ามารบ ก, กวนฉันนะฉันกำลังฟังธรรมจนมันจะขนซัพ์ก็ช่างมัน หัวหน้าโจนได้ฟังก็ประหลาดใจนะทีแรกคิดว่านางกาติยานีเนี่ยจะผุนผันไปไปปกป้องรักษาทรัพย์นะแต่กลับไม่สนใจเพราะเห็นแก่ธรรมะในแง่หนึ่งก็เกิดความเออ่แปลกใจว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่เหมือนใครนะอีกด้านหนึ่งก็รู้สึกว่าไอ้ธรรมะนี่มันคงจะมีความสําคัญมากนะถึงขนาดนางกาติยานีเนี่ยกล้าที่จะ ยอมที่จะสลับซั์นะ่ะเพื่อทำมะดังนั้นเนี่ยเมือ่อเมื่อเมื่อนางกาติยานีนะฟังทำจบเนี่ยนะหัวหน้าจวนก็เลยเข้าไปหาแล้วก็แสดงตัวว่าเนี่ยเป็นใครแล้วก็สนใจอยากจะรู้ว่าทําไมนะนางเนี่ยถึง ยอมสละทรัพย์นะเพื่อธรรมะสุดท้ายเรื่องนี้ก็ลงเอยด้วยว่าหัวหน้าโจนนี่ก็บอกให้ลูกน้องนี่เอาทรัพย์สมบัติไปคืนแล้วก็หัวหน้าโจนี่ก็ถึงกับนะมาบวชนะมาบวชนะเพราะว่าเกิดศรัทธานในธรรมนะของพระพุทธเจ้านะที่พระโสณาได้แสดงนะและในสุดเนี่ย ทั้งหัวหน้าโจรที่บวชพระแล้วก็ลูกน้องซึ่งบวชพระเหมือนกันเนี่ยในสุดก็บรรลุธรรมนะเป็นพระอรหันต์อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่จะมาเล่าเพื่อชี้เห็นว่าในทางพุทศาสนาเนี่ยแม้ถือว่าทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่ควรจะใช้นะแต่ว่าเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกระหว่างทรัพย์กับธรรมะเนี่ย ก็ควรที่จะสละทรัพย์เพื่อธรรมะแต่คนทุกวันนี้เนี่ยนะเห็นตรงข้ามนะคือพอมีทรัพย์มากก็ยึดติดในทรัพย์แล้วก็เห็นว่าทรัพย์มีคุณค่ามากกว่าธรรมะถ้าเป็นเหตุการณ์แบบนางกาติยานีเนี่ยเชื่อว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยคงจะไม่เอาแล้วธรรมะไม่ฟังแล้วคงจะรีบผลผันไปอ่าไป รักษาทรัพย์นะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงตายเพราะว่าหัวหน้าโจนี่นะรอแล้วนะรอที่จะจัดการนะถ้าเกิดว่ากระโตกกระตากไปเนะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าธรรมะก็ไม่ได้ทรัพย์ก็ไม่มีโอกาสเพราะตายซะก่อนนะแต่นางกัตีย น, นี่เป็นคนฉลาดนะเมื่อถึงเวลาต้องเลือกก็เลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์คนเราเนี่ยมันก็ มันก็จะมีโอกาสบ่อยครั้งที่ต้องเลือกนั่นระหว่างธรรมะกับทรัพย์เนี่ยอาจจะไม่ใช่ในสถานการณ์แบบเดียวกันนางกาติยานีแต่ตัวอย่างง่ายๆคือว่ า, าเห็นเห็นเงินเห็นทองของคนเนี่ยนะมันวางอยู่บนโต๊ะเงินนี่หลายหมื่นอาจจะเป็นทองนะหลายบาทนะหรือว่าไม่ต้อง ไม่ต้องขนาดนแค่โทรศัพท์เนี่ยเห็นมันวางอยู่บนโต๊ะนะหรือว่าวางอยู่ในที่ที่ไม่มีเจ้าของหลายคนเนี่ยก็จะเลือกเนี่ยเลือกที่จะเอาทรัพย์เหล่านั้นคือขโมยนั่นแหละทั้งในที่รู้ว่าขโมยเนี่ยมันผิดศีล น, นะแต่ไม่สนใจละศีลเสรินะกูจะเอา คนคนจํานวนมากเป็นอย่างนั้นนะเลือกทรัพย์มากกว่ามากกว่าธรรมะบางทีมีสมบัติของส่วนรวมเห็นอยู่ใกล้ตัวนะมีสมบัติของวัดนะอยู่ใกล้ๆไม่มีใครอยู่เห็นก็หยิบไปนะก็รู้นะว่ามันบาปนะแต่ก็ทําเอากลับบ้านเอาติดตัวไปอันนี้ก็เรียกว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะ หรือบางทีทํางานอยู่มีโอกาสที่จะได้ได้เงินมีโอกาสที่จะโกงมีโอกาสที่จะคอร์รัปชันบางทีเป็นข้าราชการหรือพนักงานก็ติดต่อกับพ่อค้าเขาจะให้เงินใต้โต๊ะนะก็เอานะก็รู้แล้วว่าผิดศีลรว่วมันบาปก็ยังทำอย่างนี้แล้วว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะ สมัยนี้เนี่ยมันมีโอกาสนะที่ยั่วยุให้คนเนี่ยทําผิดศีลมากทีเดียวมันมีตลอดเวลานะแล้วคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเอานะผิดผิดศีลผิดธรรมนะเพราะว่าเห็นแก่ทรัพย์อันนี้ถ้ากิดว่าเป็นคนฉลาดเนี่ยนะก็จะเลือกธรรมะมากกว่าทรัพย์ เห็นของมันอยู่ตรงหน้ามันยุ่ยยวนใจไงก็ไม่เอาเพราะรู้ว่าไม่คุ้มคนฉลาดจะว่าไม่คุ้ม <c oughs> เอาไปแล้วเนี่ยนะตำรวจจับได้หรือว่าเจ้าซับเนี่ยรู้นะก็อาจจะติดคุกนะหรือถึงไม่ติดคุกนะมันก็เสียชื่อ ทำให้เขารู้ว่าเป็นคนที่ทําให้คนรู้ว่าเป็นคนที่ไม่ไว้ใจไม่ได้ต่อไปจะทํามาหากินจะติดต่อใครคนก็ไม่ไว้ใจอาจจะเป็นอย่างนี้ตลอดชีวิตเลยก็ได้ไม่คุ้มเลยนะเอาไปเอาไปสามหมื่นสี่หมื่นหรือเอาไปเป็นแสนนะแต่ว่าลงเอยด้วยการที่ติดคุกเงินก็ก็ต้องคืนเข้าไปหรือไม่ติดคุกก็เสียหน้าเสียชื่อนะและมีน้าซ้ํายังมีอาจจะมี นรกลออยู่ข้างหน้าก็ได้ถึงแม้จะไม่มีใครรู้ตํารวจจับไม่ได้เจ้าทรัพย์ก็อาหาดมกินไม่เจอนะแต่ว่าก็เจอนรกในภพหน้าที่จริงนรกอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่ยังไม่ตายก็ได้เกิดความร้อนเดือดเนื้อร้อนใจเนเกิดความหวาดกลัวเกิดความเราแวงว่า เจ้าทรัพย์เขาจะรู้ตำรวจจะจับนะได้เงินแต่ว่าน้อนไม่เป็นสุขนะอันนี้เราไม่คุ้มเลยนะเพราะว่าผิดธรรมผิดศีลยิงเงินเอาไปนี่ไม่กี่บาทเนี่ยโอ้ยิงไม่คุ้มเลยนะหรือบางทียืมเงินเข้าไปยืมเงินไปแล้วนะที่แรกก็ตั้งใจจะคืนแต่ว่าตอนหลังเสียดายนะ ก็อมมาไว้ไม่คืนนะภาษาชาวบ้านเรียกว่าชักดาบอันนี้ก็เรียกว่าเลือกทรัพย์มากกว่าธรรมะนะเพราะว่าถ้าเป็นคนที่มีสัจจะมีสี่งก็ต้องคืนตอนที่ยืมเงินไปก็รับปากเป็นมันเป็นหมอว่าฉันจะคืนจะคืนนะเสร็จแล้วพอได้มาก็กลับเสียดายหาเงินมาได้ก็ไม่อยากคืนอคนอย่างนี้ก็เรียกเป็นคนโง่นะเพราะว่าเมื่อเลือก ทรัพมากกว่าธรรมะเนี่ยมันก็ต้องชดใช้นะต้องรับกรรมเช่นไม่มีความน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่คนไม่ไว้ใจนะคำพูดไม่น่าเชื่อถือต่อไปจะยืมเงินใครก็ยากบางทีจะขอความช่วยจากใครเขาก็ไม่ไม่ช่วยเพราะเห็นว่าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะนะและเงินที่เอาไปเนี่ยนะ มันต้องชดใช้นะไม่อาจจะไม่ชดใช้ในชาตินี้อาจจะชดใช้ในชาติหน้ายืมไปร้อยบาทยืมไปพันบาทแต่พอชดใช้เนี่ยมันหลายเท่านะอาจจะชดใช้ในชาตินี้ก็ได้เช่นยืมเงินไปเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยบ้านก็ถูกขโมยบางทีถูกยึดรถนะรถนี่มันหลายแสนนะ อันนี้ก็อาจจะเป็นผลจากการที่ต้องใช้กรรมเพราะว่าไปลักทรัพย์หรือว่าไปชักดาบเอาไวนะ้เนี่ยม่อคิดดูไม่คุ้มเลยคือถ้าถ้ า, าว่าทําผิดทำแล้วเนี่ยนะมันต้องเกิดวิบากแเราต้องชดใช้มากกว่าเงินที่ตัวเองขโมยไปหรือลักเอาไปหรือว่าชักดาบไปนี่หลายเท่าทีเดียวคนไม่ค่อยคิดเท่าไหร่นะ คิดแต่เรื่องว่าอาประโยชน์เฉพาะหน้าว่าเออได้ของฟรีนะงั้คนฉลาดจริงเนี่ยนะเขาจะเมื่อจะต้องเลือกระหว่างธรรมะนะกับทรัพย์เนี่ยเขาจะเลือกธรรมะก็นะจะไม่เลือกทรัพย์โดยทิ้งธรรมะไปเพราะรู้ว่ามันจะเกิดผลเสียตามมามากมายนะและในสุดก็ต้องชดใช้ด้วยด้วยทรัพย์ด้วยเงินที่มากกว่าไอ้ที่ได้มาหลายเท่า แล้วก็อาจจะตามไปชดใช้นี่นะถึงชาติหน้าก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็แม้ว่ารัพย์มันจะมีประโยชน์นะแต่ว่าเราก็อย่าอย่าถึงกับนะติดในทรับนะจกนกระทั่งเลือกรัพย์แล้วก็ทิ้งธรรมะไปเอาละช้านี้ก็พูดกันเท่านี้อ่ะ